อนุโลมโอกาสจะขุนตริยมุรการัย413อนุโลมปุชชาจะขุนสีในภูมิใดเคยเกิดโสตินรี่ในปุินั้นก็จะเกิดใช่ไหมละอนุโลมปุคโลกาตจะขุนตริยะมุรการัย414อนุโลมปุชชาจะขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด สตินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจติชนาะปัจฉิมภวิกาบุคคลในปัญจโวการภูมิจากขุนรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่โสตินทรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บาดอยู่ในปัญจโวการภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและโสตินทรียก็จะเกิดปฏิโดมปุจฉา สสตินสีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคาณินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาปัจฉิมภวิกบุคคลในกามาวจรภูมิบุคคลผู้บาดอยู่ในรูปาวจรภูมิ จากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คาณินรีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคานินรีก็จะเกิดปฏิโรมปุจฉาคานินรีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชชา จะคุนสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอิทถินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภาวิกบุคคลในกามาวจรภูมิบุคคลผู้บาดอยู่ในรู ป, ปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานจากคุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อิทธินสีไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้ผู้บาดอยู่ในกามาวจรภูมิจะขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและอิทินทรียก็จะเกิดปฏิโลมปุชชาอิทธินรีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจกขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุชชา จากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปุริสินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปัจชิมภวิกาบุคคลในการมาวจรภูมิบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปภาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิ พ, พานจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ปุริสินศีไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้ผู้บาดอยู่ในกามาวจรภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและปุริสินศีก็จะเกิดปฏิรมปุชชาปุริสินศีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่อนุลมปุชชา จกขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจตชนาะปัะชิมภวิกรบุคคลในปัญจโวการภูมิจะขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บาดอยู่ในปัญจโวการภูมิ จากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและชีวิตินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุชชาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจารณาบุคคลผู้บาดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จากขุนศีไม่เคยเกิด บุคคลผู้บารอยู่ในปัญจโวการภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจากคุนสีก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาจากคุนสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดโสมณตินทร์สีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจาชนาะปัดฉิมภาวิกาบุคคลในปัญจโวการภูมิและบุคคลใดมีจากขู่เกิดได้และมีจิตเป็นอุเบขาจากอุบัติแล้วปรินิพาน จะขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่โสมนัสสินศีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บาดอยู่ในปัญจโวการภูมิจะขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและโสมนัสสินศีก็จะเกิดปฏิโลมปุชชาโสมนัสสินศีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจกขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ อนุโลมปุจฉาจากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอุเปกขินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาปัดชิมภวิกาบุคคลในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจกักรูเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัจตจักรุปัดแล้วปรินิพานจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อุเปกขินรีไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้ผู้บาดอยู่ในปันจวบกาลภูมิจะขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและอุเปกิณสก็จะเกิดปฏิโลมปุชชาอุเป ก, กิณสีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคบคลผู้บาดอยู่ในอรู ป, ปภูมิอุเปกิณสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จากขุนสีไม่เคยเกิด บุคคลผู so so so so so so ้บาดอยู่ในปัญจโวการภูมิอุเปกิุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจากขุนศีก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสัดทินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจชรณาปัจฉิมภรวิกาบุคคลในปัญจโวการภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สัดทินศีไม่ใช่จะเกิด บุคคลนี้ผู้บาดอยู่ในปัญจโวการภูมิจะขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสัตทินรียก็จะเกิดปฏิรมปุชชาสัตทินรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจะขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจารณาบุคคลผู้บาดอยู่ในรูปภูมิสัตทินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จะขุนศีไม่เคยเกิด บุคคลผู้บัตอยู่ในปัญจโวการภูมิสัตตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจกขุนศีก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาจะขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปัญญินรียและมนินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลในปัญจโวการภูมิจะขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด แต่มนินทร์สีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บาดอยู่ในปัญจโวการภูมิจะขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมนินทรียีก็จะเกิดปฏิโลมปุจชามนินทรียีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บาดอยู่ในอรูปภูมิมนินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด แต่จากขุนรีไม่เคยเกิดบุคคลผู้บารอยู่ในปัญจโวการภูมิมนณีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจากขุนศีก็เคยเกิดจากขุนตรียะมูลกนัยจบคารินตรียมูลกนัย415อนุโลมปุชชาคารินทรียรอร ข, ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอิทธินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจาชนาะ ปัดฉิมพระวิการบุคคลในการมาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพ า, านคาณินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อิถินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บาดอยู่ในการมาวจรภูมิคาณินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและอิถินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจชา อิทธินิสยของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคานินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาปัจฉิมพวิกาบุคคลในกามาวจรภูมิและบุคคลเราใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิตนทิในบางภพ โดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ปุริสินรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผ er ู <comeback. S 1> ้บาดอยู่ในกามาวจรภูมิคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและปุริสินรีย์ก็จะเกิดปฏิโดมปุชชาปุริสินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหม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 คารินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและชีวิตินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใด จ, จะเกิดคานินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้บาดอยู่ในรู ป, ปราวจรภูมิและอรู ป, ปราวจรภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คารินทรีย์ไม่เคยเกิด บุคคลผู้บาดอยู่ในกา마วจรภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานินทรีย์ก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิเศชนาปัดฉิมภวิกรบุคคลในกา마วจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีคานะเกิดได้ และมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บาดอยู่ในกามาวจรภูมิคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและโสมนัสสินรีย์ก็จะเกิดปฏิโรมปุชชาโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิด คานินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้บาดอยู่ในรู ป, ปราวจรภูมิโสมนัสสินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานินสีไม่เคยเกิดบุคคลผู้บาดอยู่ในกามาวจรภูมิโสมนัสสินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานินสีก็เคยเกิดอนุโลมปุชชาคานินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด อุเปกินสีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัดชิมภวิกะบุคคลในกามาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีคานะเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพพานคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อุเปกขินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิ คาณินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและอุเปกินรีก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกินรีของบุคคลใดในภูมิดาจะเกิดคาณินรีย์ของบุคคลนัล good. Good ้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บาดอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิอุเปกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คาณินทรีย์ไม่เคยเกิด บุคคลผู้บาดอยู่ในกา마วจรภูมิอุเปกินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคาณินทรีย์ก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาคาณินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจัดจินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิเศชนาปัจฉิมภวิกบุคคลในกา마วจรภูมิกาณินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จัดจินสีไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสัตตินรียก็จะเกิดปฏิโลมปุชชาสัตทินรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจัดชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิสัตตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด แต่คานินทรียไม่เคยเกิดบุคคลผู้บาดอยู่ในกามาวจรภูมิสัตทินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานินทรียก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปัญญินรียและมานินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปัจชิมพวิกะบุคคลในกามาวจรภูมิ คาณินรียของบุคลลนนบ ค, ลบบคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มาินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บาดอยู่ในกามาวจรภูมิคาณินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมาินรียก็จะเกิดปฏิโลมปุชชามาินรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคาณินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บาดอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ มณีนียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานินีไม่เคยเกิดบุคคลผู้บตดอยู่ในกามาวจรภูมิมนินียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานินีก็เคยเกิดคานินตรียะมูลกันัยจบอิทินตรียะมูลกันัย416อนุโลมปุชชา อิทธิศรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปริสิษย์ิษย์ของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปัดฉิมพระวิการบุคคลในการมาวาจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหลแล้วปรินิพานอิทธิศรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ปริศิษยไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้ผู้บาดอยู่ในการมาวจรภูมิอิทธิศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและปุริสินีก็จะเกิดปฏิรมปุชชาปุริสินีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดอิทธิศีกของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุลมปุชชาอิทิิศีกของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินรีกของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนา ปัดชิมพวิกะบุคคลในกามาวจรภูมิอิถินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ชีวิตินรีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัดอยู่ในกามาวจรภูมิอิทธินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและชีวิตินตีก็จะเกิดปฏิโมปุชชาชีวิตินรีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิด อิทถินิสัยของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิชีวิตินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิทธินทรียไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิชีวิตินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิทธินทรียก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉะ อิทธิ์รีลสของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดโสมนาสิลรี่ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปัดฉิมภวิกรบุคคลในกามาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้มีจิตเป็นอุเบขาจากอุบัติแล้วปรินิพานอิทธินีลสี่ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่โสมนาสิลรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัดอยู่ในกามาวจรภูมิ อิตินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและโสมนัสสินรียก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาโสมนัสสินรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดอิตินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บาดอยู่ในรูปาวจรภูมิโสมนัสสินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิตินรียไม่เคยเกิดบุคคลผู้บาดอยู่ในกามาวจรภูมิ โสมนัสสินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิทธิสินสีก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาอิทถิสินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอุเปกสินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจชนาปัจฉิมภวิกาบุคคลในกามาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีิทีิเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพาน อิตินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อุเปกินรีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในการมาวจรภูมิอิตินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและอุเปกินรีก็จะเกิดปฏิโลมปุชชาอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดอิตินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้บตดอยู But, ่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิทธินสีไม่เคยเกิดบุคคลผู้บตดอยู่ในกามาวจรภูมิอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิทธินสีก็เคยเกิดอนุโลมปุชชาอิทินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสัทธินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหม วิจัดชนาปัดชิมภวิกาบุคคลในกามาวจรภูมิอิถินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สัตตินรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บาดอยู่ในกามาวจรภูมิอิถินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสัตตินรียก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาสัตตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดอิถินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหม วิจัชนาบุคคลผู้บาดอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิสัตตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิทินรียไม่เคยเกิดบุคคลผู้บาดอยู่ในกา ม, มาวจรภูมิสัตตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิทธินรียก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาอิทธินรียของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปัญญินรีและมนินรีย ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจาชนาปัจฉิมภวิกะบุคคลในกามาวจรภูมิอิทธินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บาดอยู่ในกามาวจรภูมิอิถินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมะนินทรียก็จะเกิดปฏิโลมปุจชามนินทรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิด อิทธินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บาดอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิทธินทรียไม่เคยเกิดบุคคลผู้บาดอยู่ในกามาวจรภูมิมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิทธินทรียก็เคยเกิดอิทธินตียามูลกนัยจบ ปริสินธริยมูลกนัย๔๑๗อนุโลมปุจฉาปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินรีของบุคคล น, น, นั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาปัดฉิมภวิกรบุคคลในกามาวจรภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ชีวิตินรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บาดอยู่ในกามาวจรภูมิ บุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและชีวิตินทรีสีก็จะเกิดปฏิโดมปุจฉาชีวิตินทรีส์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจชชนาบุคคลผู้บตดอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิชีวิตินทรีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ปุริสินรีไม่เคยเกิด บุคคลผู้บาดอยู่ในกา마วจรภูมิชีวิตสินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและปุริสินรียก็เคยเกิดอนุโลมปุชชาปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดโสมณตสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาปัดฉิมภวิกบุคคลในกา마วจรภูมิและบุคคลเราใดมีปุริชาเกิดได้ มีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานบุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่โสมนัสสินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิบุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและโสมนัสสินสีก็จะเกิดปฏิโดมปุชชาโสมนัสสินสีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหม วิจารนาบุคคลผู้บาดอยู่ในรูปาวจรภูมิโสมนัสสินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ปุริสินรียไม่เคยเกิดบุคคลผู้บาดอยู่ในกามาวจรภูมิโสมนัสสินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและปุริสินรียก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอุเปกินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหม วิจัชนาปัดฉิมภวิกาบุคคลในกามาวาจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัตจากอุบัติแล้วปรินิพานปุริสินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั <SU ục> ้นเคยเกิดแต่อ claro ุเปกินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิปุริสินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและอุเปกินสีก็จะเกิด ปจิโรมปุจฉาอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิอ es, ุเปกินสีของบุคคลเหล่าน <IL> ั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ปุริสินสีไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด และปุริสินสีก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาปุริสินรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสัตทินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปัจฉิมภวิกะบุคคลในกามาวจรภูมิปุริสินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สตินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัดอยู่ในกามาวจรภูมิ ปุร am ิสินสีของบุคคลเหล่านั <S <S um ้นในภูมินั้นเคยเกิดและสัตตินสีก็จะเกิดปฏิโรมปุจฉาสัตตินสีของบุคคลใดในภูมิใดายจะเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิสัตทินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ปุริสินสีไม่เคยเกิด บุคคลผู้บาดอยู่ในกามาวจรภูมิจตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและปุริสินรียก็เคยเกิดอนุลมปุชชาปุริสินรียของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปัญญรีและมนินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัดฉิมภวิการบุคคลในกามาวจรภูมิปุริสินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด แต่มนินทรีสีไม่ใช่จะเกิดบุคบคลนอกนี้ผู้บัจอยู่ในกามาวจรภูมิปุริสินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมนินทรีสีก็จะเกิดปฏิโรมปุจชามนินทรีสีของบุคคลใดในภูมินใดจะเกิดปุริสินทร์สีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลผู้บตดอยู่ในรูปวาวจรภูมิและอรูปวาวจรภูมิ มนินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ปุริสินรียไม่เคยเกิดบุคคลผู้บาดอยู่ในกามาวจรภูมิมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและปุริสินรียก็เคยเกิดปุริสินตริยมูลก น, 18, นัยจบชีวิตินทริยมูลกนัยสี่รอสอนุโลมปุชชาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด โสมนัสสินรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจารนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่สามประยุทธ์ ด, ด้วยอุเบกขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้บาดอยู่ในอสศัญยัสตะ ภ, ภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่โสมนัสสินรีย์ไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในจตุโวการับภูมิและปัญจโวการัภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและโสมนัณสินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโดมปุชชาโสมัณสินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดชีวิตินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิโสมนณตินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด ชีวิตินทรียไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในจตุโการาภูมิและปัญจโวการาภูมิโสมนัสตินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและชีวิตินทรียก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอุเปกินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต ปชิมจิตที่สัมปยุทธด้วโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวุงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้บาดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อุเปกินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บาดอยู่ในจตุวโวการภูมิและปัญจโวการภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและอุเปกินทร์สีก็จะเกิด ปฏโรมปุชชาอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บาดอยู่ในสุทธาวาสภูมิอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บาดอยู่ในจตุโวการัภูมิและปัญจโวการัภูมิ อุเปกปินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและชีวิตินทรียก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมินใดเคยเกิดตัดสินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิ ม, มจิตและบุคคลผู้บัดอยู่ในอสศันยสัตตภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ตัดสินทรีย์ไม่ใช่จะเกิด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 บุคคลผู้บาดอยู่ในสุทาวาตภูมิมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ชีวิตสินทรีย์ไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บาดอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิมนิณีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและชีวิตสินทรีย์ก็เคยเกิดชีวิตสินตรียมูลกนัยจบโสมนัสสินทรียมูลก น, ยโโนททั ย, นย4ี่อนุโลมปุชชา โสมนัสสินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอุเปกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเปลียงด้วยปัจฉิ ม, มจิตปัจฉิ ม, มจิตที่สัมปยุทธด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัดอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิ โสมณสสัสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดได้อุเปกินรีก็จะเกิดปฏิโลมปุชชาอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดโสมณัตสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจารนาเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาสภูมิเป็นไปอยู่อุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่โสมณัตสินสีไม่เคยเกิด บุคคลนอกนี้ผู้บาดอยู่ในเจตโวการภูมิและปัญจวการภูมิอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและโสมนณสินสีก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาโสมนัสินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสัตตินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเปลียงด้วยปัจฉิมจิตโสมนัสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สัตตินสีไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้ผู้บัตอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิโสมณัตสินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสัตตินทีก็จะเกิดปฏิโดมปุจฉาสัตตินทรีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดโสมณัตสินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัตอยู่ในสุทาวาทภูมิเป็นไปอยู่สัตตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด แต่โสมณสินรีไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิจตินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและโสมนณสินรียก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาโสมณสินรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปัญญินรีและมณินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้พร้อมเปลี่ยงด้วยปัจฉิมจิต โสมนัสสินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บาด <ys> อยู่ในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิโสมนัสสินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมนินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุชฌามนินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดโสมนัสสินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่นนนในๆๆ tale, ไหมวิจัชนาะ เมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทธาวาตภูมิเป็นไปอยู่มนิณีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่โสมนัสสินรียไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิมนิณีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและโสมนัสสินรียก็เคยเกิดโสมนัสสินตรียมุรกไนจบอุเปกินตรียมุรกไนสี่ยยี่ส อนุโรมปุชชาอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสัตตินรีและปัญญินรีและมณินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้พร้อมเปลียงด้วยปัจฉิม จ, จิตอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มณินทรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บาดอยู่ในจตุโวการาภภูมิและปัญจโการาภภูมิ อุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมนินรียก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามนินทรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดอุเปกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจัดชนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาตภูมิมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อุเปกินสีไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิ มณีนรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอุเปกินสีก็เคยเกิดอุเปกินตริยะมูลกนาอิจบทินตริยะมูลกนาอิร้อยยี่สอนุโลมปุชชาสัตินทรียของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปัญญินรีและมณินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจาชนาบุคคลผู้พร้อมเปลียงได้ปฏิมจิต จตินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสจตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมะนินรียก็จะเกิดปฏิโลมปุชฌามนินทรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจตินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาสภูมิ มนินทรีของบุนคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สัตตินทรีไม่เคยเกิดบุคคลนอก น, นี้ผู้บาดอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิมนินทรีของบุนคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสัตตินทรีก็เคยเกิดสัตตินตรียะมูลกนัยจบปัญญินตรียะมูลกนัยสี่ร้อยยี่สิบสองอนุโลมปุชชาปัญญินทรีของบุนคคลใดในภูมิใดเคยเกิด มณ right? ีนีสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้พร้อมเปรี่ยนโดยปฏิมจิตปัญญินีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มนินีสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมนินรียีก็จะเกิดปฏิโดมปุจฉามนินีสีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิด ปัญญินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ปัญญินรียไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บาดอยู่ในเจตโวกาภภูมิและปัญจโวกราภภูมิม <hör> ินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและปัญญินรียก็เคยเกิดปัญญตรียมูลกนัยจบ